เมื่อวานได้พูดไปนะว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับชีวิตนะทุกชีวิตต้องการความรักเรียว่าตั้งแต่เกิดเลยความรักจากพ่อแม่ความรักจากคนใกล้ชิดความรักจากญาตพี่น้องเพื่อนฝูงพธอตาขายความรักจากคนรอบข้าง ชีวิตจิตใจก็เหมือนกับพิกนพิการพร่องโผหาแล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองรวมทั้งระบายความทุกข์ใส่คนอื่นด้วยเย่างแล้วก็ตามมันมีความรักอีกอย่างหนึ่งนะที่จำเป็นสำหรับเราทุกคนอ น, นั้นก็คือรักตัวเองนะ ตัวเองในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงตามใจตัวเองนะไอ้นั่นมันลักกิเลสมากกว่าคนเราเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานนะถ้าหากขาดความรักจากผู้อื่นชีวิตมันก็มีแต่ความทุกข์แต่ว่าแม้จะได้รับความรักจากผู้อื่นจากคนรอบข้างแล้ว ก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นนะโดยเพราะถ้าหากว่าไม่รู้จักรักตัวเองเนี่ยคนจานวนมากนะรว่าส่วนใหญ่ได้รับความรักจากพ่อแม่ได้รับความรักจากคนรอบข้างแต่ว่าไม่รักตัวเองคนที่ไม่ได้รับความรักจากคนรอบข้างนี้ก็มีเยอะนะ แต่ที่เยอะกว่าแล้วก็เยอะมากๆเลย <c oughs> ก็คือคนที่ไม่รักตัวเองอันนี้เรียกว่ามีเกินเกือบทั้งโลกเลยนะไม่รักตัวเองแม้ทุกคนอาจจะบอกว่าฉันรักตัวเองรักตัวเองอันนั้นเป็นความคิดอันนั้นเป็นความอยากแต่พอดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขา หรือว่าดูการดาเนินชีวิตของเขาแล้วเนี่ยโดมทั้งการวางจิตวางใจด้วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรักตัวเองเลยหรือว่าถ้ารักตัวเองก็เป็นการรักตัวเองอย่างไม่ถูกต้องไม่ใช่การรักที่แท้่ะดูได้ยังไงว่าไม่รักตัวเองอข้อแรกคือว่าคน ส่วนใหญ่เนี่ยจะทนอยู่กับตัวก็ไม่ค่อยได้เวลาอยู่คนเดียวเนี้ยย้งก็จะมีอาการกระสับกระส่ายหรือบางคนก็อาจจะทุรนทุรายเลยบางคนอาจจะถึงกับจะตายให้ได้นะถ้าอยู่คนเดียวทั้งๆ ท, ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะ แต่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเครื่องเล่นดนตรีไม่มีวิทยุยเงี้ยคนที่มาปฏิบัติที่นี่หลายคนเนี่ยเวลาให้อยู่กับการปฏิบัติอยู่กับตัวเอง ไม่พูดไม่คุยกับใครนี่ขนาดยังไม่ต้องถึงกับไปเก็บอารมณ์นะหลายคนก็รู้สึกมันทุกข์มากทรมานมากอยากจะไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นก็อยากจะโทรศัพท์หลายคนก็ใช้เวลากับการโทรศัพท์ <c oughs> เวลาอยู่ที่บ้านนะหรื อ, อที่โรงเรียนนะเยอะมากเลย ยังไม่นับถึงการเล่นโซเชียลมีเดียทำไมถึงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงอยากจะไปคุยค น, คนนั้นคนนี้เพราะอยากจะหนีตัวเองอทนอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับตัวเองเมื่อไหร่นี้มันจะกระสับกระส่ายนะใจฟุ้งซ่านสารพัดบางคนทนไม่ไหวถ้าไม่มีอะไรทําก็นอน บางทีก็ใช้การนอนเป็นการหนีตัวเองไม่ต้องไปรับรู้อะไรแต่ขนาดนอนก็ยังก็ยองเจอความทุกข์ที่มนในรลวงความฝันถ้าเรารักตัวเองเราจะพยายามหนีตัวเองไปทำไมถ้าเรารักตัวเองทำไมเรายึงทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ ทำไมต้องพยายามไปพูดคุยไปหาคนนั้นคนนี้หรือบางทีก็ไปช็อปปิ้งหรือว่าอาจจะดีหน่อยอคือหางานทำต้องหาอะไรทำไม่งั้นมันว่าวุ่นฟุ้งซ่านะนนี้แหละนะคือสิ่งที่ชี้ว่าเราไม่ได้รักตัวเอง อย่างแท้จริงแล้วข้อที่2คือคนเราเนี่ยชอบทำร้ายตัวเองชอบซ้ําเติมตัวเองถ้าเรารักตัวเองทาไมเราถึงชอบทาร้ายตัวเองชอบซ้ําเติมตัวเองเราซ้ําเติมตัวเองหลายอย่างนะหลายวิธีที่จยบยาวก็คือเอาสิ่งที่เป็นพิษ มาใส่ร่างกายของเราเช่นเหล้าบุหรี่ทั้งที่รู้นะว่ามันจะทำให้เจ็บป่วยทำให้เป็นมะเร็งทำให้เป็นโรคถุงลมป่งพอ ง, องทำให้เป็นโรคหัวใจทำให้มึนเมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุพิกลพิการแต่ก็ยังทำ เติมยาพิษนะใส่ร่างกายเป็นประจำบางคนจะบอกว่าฉันไม่ได้กินเหล้าสูบบุหรี่แต่แม้กั น, นั้นก็ยังทำร้ายตัวเองด้วยอาหารที่กินอาจจะรู้นะว่ า, ากินอาหารเหล่านี้ไปมากๆเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคหัวใจ เช่นอาหารประเภทเนื้อนมไข่หรือบางคนก็ชอบกินเครื่องในทั้งที่รั่าอาจจะถอยเป็นเกาแต่ว่าก็ยังกินอยู่นั่นแหละอันนี้เพราะอะไรเพราะตามใจกิเลสนยแต่พอตามใจกิเลสมื่อไหรนะความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับเราเริ่มตั้งแต่ร่างกายของเราเดีย๋ยวนี้ จะป่วยเพราะการกินเยอะมากนะเพราะกินเยอะไปแล้วก็อาหารเนี่ยมันก็แตะตาแตะใจเราปรุงให้มันน่ากินแต่บางทีเราก็รู้นะว่าไอ้สิ่งที่ปรุงเนี่ยมันเป็นพิษกับร่างกายสีที่สวยรสชาติที่ถูกปากเช่นผงชูรสนะสีผสม ก็ยังกินเข้าไปอีกเพราะหวังความสุขเฉพาะหน้าแต่ทั้งที่ร่วมันเป็นทุกข์ในภายพ้าชนาก็ยังไม่เลิกอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองในทางร่างกายแต่ที่แย่กว่านั้นนะก็คือการทำร้ายตัวเองในทางจิตใจโดยการนึก้วยการคิด ที่มันลวดแต่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์ให้ความนึกคิดของเรามันไม่เพียงแต่จะเปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาเล่น ง, งานจิตใจในลักษณะต่างต่างกันเช่นเปิดช่องให้ความโกรธความเศร้าความเกลียดความอิชาพยาบาทความวิตกกังวลความรู้สึกผิด นะความซึมเศร้าเล่งงานจิตใจเราละท่านทำไ้พอนะยังทนุถนอมโวงแ ห, หรลรักษามเอาไว้ด้วยเราซ้ำเติมตัวเองด้วยการปล่อยให้อารมณ์อกุศลเรานี้มาทิ่มแทงเผาลนบีบคั้นใจของเราเป็นประจำหลายเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วนะแล้วก็ทุกข์กับมันพอแรงแล้ว แต่ถ้าที่มันผ่านไปกี่ปีก็ยังอดคิดถึงมันไม่ได้ไอเรียกว่าทุกย้อนหลังนะไอตอนเกิดเหตุนี่ก็ทุกพอแล้วโกโรธเพราะถูกด่าเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียเงินสูญเสียของรักคนรักหรือว่ารู้สึกผิดที่ได้ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องกับอุปการีไอตอนเกิดเหตุนี่ก็ทุกพอแรงแล้ว แต่ก็ยังอดที่จะคิดถึงมันไม่ได้เรียกว่าขอทุกย้อนหลังได้ไหมและไม่ใช่ทุกย้อนหลังแค่ครั้งเดียวนะทุกย้อนหลังไม่รู้กี่ครั้งแล้วไอ้บางคนโกรธนะที่คนรู้จักมายืมเงินยังมีรายหนึง่งถูกยืมเงินไปสามมืบาทเมื่อ10ปีที่แล้ว ก็ยังโกรธอยู่โกรธมากมากนะนึกถึงที่ไรก็อดบ่นอดระบายไม่ได้มาเล่าให้ตมาฟังก็พูดแต่เรื่องนี้ตมาพยายามหานเหไปคุยเรื่องอื่นแกก็จะคุยกับเรื่องนี้แค้นแค้นคนที่เอาเงินของตัวเองไป แล้วพอเวลาตัวเองทวงก็โกรธเขาก็ไอคนที่ยืเมเงินไปก็โกรธเจ้าหนี้ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยเจ้าหนี้ก็ยังโกรธเข้าไปอีกไอเหตุการณ์ผ่านไป10ปีแล้วก็ยังเก็บก็ยังถนอมไอความโกรธนั้นเอาไว้แล้วก็อยู่ดีไม่ว่าดีก็ยังชอบคิดไปถึงเรื่องนั้นอยู่นั่น นี่ถ้าคิดเป็นเงินนะที่สูญไปนะจากการที่ปล่อยให้ความโกรธครอบงามนี่มันมีจำนวนมากกว่าเงินที่ถูกโกงไปซะอีกนะสมมติว่าเวลาคิดถึงเรื่องนี้แล้วโกรธนะความทุกข์เกิดขึ้นความสุขก็หายไปไอ้ความสุขที่หายไปจากการที่คิดถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยเฉพาะเหตุการณ์เดียว ตลอดสิบปีที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นถ้าคิดเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันนะมันจะมากสัแค่ไหนและลองคิดว่าเนี่ยความสุขที่หายไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันคิดเป็นตัวเงินเท่าไหร่สมมติว่าเรา พร้อมจะจ่ายเงินซื้อความสุขชั่วโมงละ100บาทบางคนอาจจะคิดว่าร้อย100บาทน้อยไปนะฉันพร้อมที่จะจ่าย200หรือ300เพื่อที่จะมีความสุข1ชั่วโมงอันนี้เราก็ทําบ่อยนะเช่นไปให้นวดเนะี่ยไปนวดหนะึ่ชั่วโมงเรายอมจ่าย100บาทบางคนไปดูดหนัง2ชั่วโมงยอมจ่าย300400ยสีอยบาทถ้าลองคิดว่าเนี่ย ความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือความสุขที่หายไปมันมีราคาเท่ากับเงินหนึ่งบาทหรือ200ร้อยบาทถ้าทุกหนึ่งวันเนี่ยมันก็เท่ากับ 2,400 ถ้าพันวันก็เท่ากับ2 0 0 0มื่นสันวันนี่ก็ประมาณ3ปีนะถ้า9้ปีก็ประมาณเจ็ดหมื่นสองถ้า10ปีก็ประมาณ 8,000 0 ให้ทุกเพราะเสียเงินส0 0 0 0ื่นเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยให้ความสุขที่หายไปจากการคุ้นคิดถึงความทุกข์หรือเหตุการณ์นั้นเนี่ยคิดเป็นเงินแล้วมันแปดหมื่นะหรือเกือบแสนมันคุ้มไหมนะนนกับการคิดถึงเงินสามหมื่นแต่ว่าความสุขที่เสียไปมีมูลค่าเนี่เป็นแสนนี่เฉพาะ ความสุขที่หายไปจนะไม่นับถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะจากการที่คิดแล้วก็เครียดจนบางทีปวดโน่นปวดนี่ความดันขึ้นอันนี้คิดเป็นตัวเงินเนี่ยในการรักษาเนี่ยมันจะเท่าไหร่มันก็คงจะหลายหมื่นนะ่นนะลองคิดแบบนี้บ้างนะมันจะรู้ว่าเนี่ยไม่คุ้มเลยนะไอ้เงินสามหมื่นนะที่ถูกโกงไปก็ปล่อยไปเถอะ ถ้าไปหวนคิดถึงมันมันจะเสียมากกว่า น, นั้นมันไม่ใช่เสียแค่30มม่มันเสียเป็นแสนสองแสนเมื่อเทียบกับเมื่อตีมูลค่าของความสุขที่ศูนย์หายไปอันนี้เป็นเรว่าทุกข์ย้อนหลังนะบางคนนี่ทุกข์ล่วงหน้าคิดถึงงานคิดถึงงานที่กาลังรออยู่หรือหรือคาอยู่แค่คิดนี่มันก็หนักใจแล้ว แล้วพอคิดบ่ยบอยๆคิดทั้งวันมันก็ยิ่งหนักใจเข้าไปใหญ่อันนี้เราทุกข์ล่วงหน้าเนะทุกข์ล่วงหน้าไปทำไมนีไอ้ตอนที่ไปทำงานอันนี้มันก็ทุกอยูแ่แล้วก็ทุกครั้งเดียวพออย่าไปทุกหลายครั้งแต่เป็นพราะไม่รักตัวเองไงจึงมัวแต่คิดล่วงหน้ามัวแต่ทุกข์ล่วงหน้า ไอ้ทุกลวงหน้านี่จะว่าไปแล้วถ้ารวมกันนะเป็นปริมาณนี่อาจจะมากกว่าตอนที่ทำงานนั้นจริงๆก็ได้ตอนที่ทำงานนั้นจริงๆอาจจะเครียดนะแค่หนึ่งส่วนแต่ความวิตกกังวลความเครียดที่เกิดจากการคิดลวงหน้าหรือจากความวิตการเป็นนึกถึงมันทั้งที่ยังอยู่ห่างไกลเนี่ยรวมแล้วอ า, าจจะ2สสส่วนก็ได้ ถ้าจะทุกข์ก็ทุกครั้งเดียวพอคือทุกเมื่อได้ทำงานนั้นนะไม่ใช่ทุกลวงหน้าหรือว่าทุกซ้ำเติมทั้งที่มันยังไม่โผล่ยังไม่เกิดที่จริงตอนเวลาทางานเนี่ยที่เราคิดว่ามันทำให้ทุกเนี่ยนะถ้าวางใจเป็นมันก็ไม่ทุกนะแต่พอวางใจไม่เป็นเนี่ยมันก็จริงทุกในขณะที่ทำงานด้วย เช่นไปคิดถึงผลว่าถ้าออกมามันเป็นยังไงไม่ตรงตามเป้าไม่ถึงเป้าหรือว่าเจ้านายไม่โอเคเพื่งลงงานไม่โอเคอทำไปก็วิตกไปทาไปก็วิตกไปทําไปก็เครียดไปไม่ใช่เครียดเพราะงานที่ทำรังทาอยู่แต่เครียดเพราะไปคาดหวังปรุงแต่งมโ น, โนในสิ่งที่มันเป็นลบ อันนี้แหะคือวิธีทำร้ายตัวเองวิธีซ้ำเติมตัวเองถ้าเหนื่อยกายเพราะทำงานไม่พอยังยังเหนื่อยใจเพราะวางใจไม่เป็นอันนี้ไม่นับถึงเหตุการณ์อย่างอื่นอีกนะนะเช่นเวลาเสียของเสียทรัพย์ถ้าคนฉลาดก็จะเสียแค่อย่างเดียวคือเสียทรัพย์แต่คนไม่ฉลาดเนี่ยคนไม่รักตัวเองจะปล่อยให้ใจเนี่ยมันเสียไปด้วย เสียใจเวลาป่วยก็จะไม่ใช่ป่วยอย่างเดียวคือป่วยกายก็ทำให้ใจมันป่วยด้วยป่วยเพราะความวิตกกังวลป่วยเพราะความโมโหนะว่าทำไมอาชตากรรมถึงเล่นงานเราแบบนี้อุตส่าห์ดูแลสุขภาพอย่างดีไอ้คนอื่นไม่ดูแลสุขภาพมันไม่เป็นอะไร มันกินเหล้าสูบบุหรี่มันไม่มันไม่เป็นอะไรเราดูแลสุขภาพดีดันป่วยเป็นมะเร็งดูบางคนก็โกรธก่เนี่ยชีวิตนี้ลำบากมาตลอดนะพอจะสบายก็ทํามาป่วยโกรธพอคิดไม่เป็นนะวางใจไม่ถูกนะมันก็ซ้ำเติมตัวเองนะป่วยกายไม่พอป่วยใจด้วยเวลางานล้มเหลวเออ แทนที่จะล้มเหลวแต่งงานนั้นก็ปล่อยให้ใจเนี่ยมันเสียศูนย์ไปด้วยใจมันก็ล้มไปด้วยเหมือนกันถ้าคนฉลาดเนี่ยมันล้มเหลวแต่งงานนะแต่ว่าใจไม่ล้มเหลวแถมยังรู้จักหาประโยชน์จากความล้มเหลวนั้นว่ามันสอนอะไรเรามันให้บทเรียนอะไรเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้ซ้ําอีก หรื อ, อาไปใช้แก้ไขปรับปรุงทำให้งานมันดีขึ้นนะเรียกว่าเกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมาจากความล้มเหลวนั้นอันนี้เรียกว่ารักตัวเองอย่างถูกต้องนันะเราไม่เพียงแต่ปล่อยให้ความทุกข์มาเล่นงานจิตใจไม่เพียงแต่ปล่อยให้ความโกรธความเสียใจนะมาเล่นงานหลังความรบกวนจิตใจเท่านั้น เรายังทนุทนอมห่วงแหนแล้วก็ปกป้องอารมณ์เหล่านั้นไว้ด้วยลองสังเกตดูนะเวลามีอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้านะหรืออารมณ์ต่างๆที่มันบีบคั้นจิตใจเช็นความวิตกกังวลความเกลียดความพยาบาทเราก็พยายามที่จะรักษาอารมณ์นั้นเอาไว้ เวลาโกรธนะแทนที่จะให้อภัยเข้าไวไวมันจะได้หายโกรธมันจะได้เลิกโกรธแล้วก็กลับไปขุดคุยความไม่ดีของเขาไม่ใช่ความไม่ดีของเขาคนเดียวบีงทีก็ขุดคุยความไม่ดีของญาติพี่น้องเขาพ่อแม่เขามา <S <s เพื่อโหม <s> เพื่อเติมความโกรธให้มันแรงขึ้นเหมือนกับกองไฟเนี่ยมันก็ แทนที่มันแทนที่เราจะหาทางดับกองไฟนั้นเพราะมันเป็นอันตรายกลับไปหาฟืนไปหักกิ่งไม้มาเติมให้กองไฟนี่มันลุกแรงขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราทำเวลาเราโกรธไปขุดคุยนะความไม่ดีของเขาเพื่อที่ทำให้โกรธมากขึ้นบางทีก็แถมยังหายเหตุผลนะ ควรจะต้องโกรธนะหาเหตุผลให้ความโกรธไม่พอหาเหตุผลให้กับการไปด่าเขาการไปทำร้ายเขาบางทีก็รู้นะว่ามันไม่ดีอาจจะถูกเขาฟ้องกลับหรืออาจจะถูกเขาตอบโต้แต่ความโกรธเนี่ยมันก็จะบอกว่า ฉิบหายไม่เป็นไรขอให้ได้ด่ามันอะไรจะเกิดขึ้นกูไม่กลัวขอให้ได้ตบมันคือพยายามหาเหตุผลนะเพื่อที่จะทําตามความโกรธแล้วเกิดอะไรขึ้นตามมาเดือดร้อนเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจหรือเกิดความเดือดร้อนอย่างอื่นตามมาเวลาเศร้าก็พยายามหาเหตุผลสับสนความเศร้า เราต้องเศร้านะถ้าเราไม่เศร้าแสดงว่าเราไม่รักเขาเนะีเราต้องร้องไห้เราต้องเศร้าเยอะๆซึมนานๆเนะีเพื่อแสดงว่าเรารักเขานะี่เมื่อเราทำอะไรผิดพลาดรู้สึกผิดขึ้นมาก็พยายามโบยตีตัวเองซ้ําเติมตัวเองถ้ามีคนหนึ่งเนะีเป็นเบาหวานผู้ชายเนี่ยประมาณ40กว่าปี อายุนะไปหาหมอที่ไหนก็ถูกหมอว่าเพราะไม่ยอมกินยาที่หมอสั่งหมอก็ว่ารุนแรงเพราะว่ามาหลายครั้งอาการก็สุดลงพยาบาลคนหนึ่งก็สงสัยก็เลยไปถามลุงทำไมลุงไม่กินยาคุยไปคุยมาก็เล่าว่าเนี่ยแม่เคยป่วยด้วยโรคเบาหวาน และแกก็ไม่ค่อยสนใจไปดูแลแม่เท่าไหร่ก็คงมีข้ออ้างนะต้องทำงานบ้างหรือว่าบ้านอยู่ไกลบ้างแต่คงคิดว่าแม่คงอยู่ได้อีกนานกพราะว่าแม่ตายพอแม่ตายก็เกิดรู้สึกผิดขึ้นมาว่าเนี่ยทำให้แม่ตายเพราะไม่ดูแลไอความรู้สึกผิดเนี่ยมันมีส่วนทำให้ แกอยากจะลงโทษตัวเองนะดยการไม่กินยาที่หมอสั่งเพื่อว่ามันจะได้ตายเพราะโรคเบาหวานเหมือนกับที่แม่ตายเป็นการชดเชยความผิดอันนี้ก็เรยลงโทษตัวเองนะอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองไหมบางคนอาจจะไม่ได้ทาขนาดนั้นแต่ว่าชอบหวนึกไปบ่อยหวนึกหวนึกหวนึกหวนึกแล้วก็บ่ยตีตัวเอง รู้ว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่เลิกโบยตีตัวเองไม่รู้จักให้อภัยตัวเองอันนี้แหละนะคือเหตุผลว่าทำไมจึงบอกว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รักตัวเองอย่างแท้จริงปา ก, ก็บอกป่าๆว่าจะรักตัวเองแต่สิ่งที่ทำมันกลับชี้ไปทางตรงกันข้ามว่าไม่รักตัวเองถ้าจะรักตัวเองเนี่ยเราต้องนะ มันดูแลจิตใจของตัวนะควบคูยกับการดูแลร่างกายจริงถ้าเราดูแลจิตใจดีๆเนี่ยไอการที่จะไปเอาสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายนะมาทาร้ายตัวเองเนี่ยมันก็คงจะไม่ทำบ่อยๆการที่กินตามใจกินเลสนะก็จะไม่เปิดให้โอกาสให้กินเลสเนี่ยเข้ามาบงการตั้งแต่แรก คือกินอย่างมีสติรู้จั ก, จกหับห้ามใจเตือนใจว่าในการกินแบบนี้ของแบบนี้นี่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้ากินมีสติเนี่ยสิ่งที่รับเข้าไปมันก็จะมีโทษต่อร่างกายน้อยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากแล้วมีสตินะั่นมันก็จะมีเครื่องรักษาใจนะไม่ให้อารมณ์ไอความโกรธความเศร้า ความวิตกกังวลมันมาเล่นงานจิตใจเวลาเผลอคิดถึงเรื่องในอดีตทำท่าจะทุกย้อนหลังอ่ะก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันสลัดให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการคิดนั้นออกไปเวลามันทาท่าจะทุกข์รุ่งหน้าก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเครียดก็เครียดตอนที่ทำงานไม่ใช่เครียด าทางทีไม่ทันจะทำ ใ, ใจที่มันคอยไปหยิบคอยไปช่วยความทุกข์จากอดีตจากปัจจุบันมันก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางแตดการเวลามันปรุงอารมณ์นะให้เกิดขึ้นก็จะมีสติรู้ทันนะวางเวลามีคนมาต่อว่าก็ได้คิดว่าถูกเขาด่าว่ามันก็พอแรงแล้ว ทำไมต้องเอาความโกรธมาเล่นงานจิตใจด้วยหลายคนไม่ได้คิดแบบนั้นนะเวลาถูกคนต่อว่าเนี่ยถูกเขาต่อว่าไม่พอยังเอาความโกรธมาทิมแทงจิตใจเผาล้นจิตใจถ้าคนที่มีสติเนี่ยเขจะรักตัวเองได้อย่างถูกต้องมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่ปล่อยให้ความทุกข์เนี่ยมันเพิ่มพูนโ ด, ดยไม่จําเป็นเรียกว่าซ้ําเติมตัวเอง เขาจะด่าว่าก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ฉันจะไม่เอาความโกรธมาทิมแทงใจฉันจะระ ล, ลึกถึงคำของพระเจ้าที่ตรัสว่าผู้โกรธตอบคนที่ดา่ า, ว, ว, างงว่าเรียกว่าโง่หรือว่าเลวกว่าผู้ดา่านี้พระเจ้าตรัสไว้ใครด่าว่าเราถ้าเราไปโกรธตอบเขาเนี่ย เ, เ, เราเราโง่เราเลวกว่าเขาเราโง่เพราะเราไปซ้าเติมตัวเอง เราเลวเพราะเราทำร้ายตัวเองนะสติมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่เพอ้อทําในสิ่งที่มันเป็นโทษต่อจิตใจเราจะเห็นความสำคัญของการให้อภัยเราจะไม่ลงเชื่อเวลามันไอความโกรธความเศร้ามันสันหาเหตุผลว่าฉันมีเหตุผลที่สมควรจะโกรธฉันมีเหตุผลที่สมควรจะเศร้านะสติมันทําให้เราเห็นว่าไอนี่มันเป็นเหตุผลของ ความหลงนะถ้าเชื่อเหตุผลนั่นก็โง่เท่านั้นนะ่ะถ้าคนเราเนี่ยมันเชื่อเหตุผลของความโกรธเห็นเชื่อเหตุผลของความเศร้าก็เพราะว่าความหลงแล้วโกรธหรือเศร้าก็ทําให้หลงคือหลงผิดทําในสิ่งที่สร้างความทุกข์แก่ตัวเองและสร้างความทุกข์แก่คนอื่นและพราะหลงนี่แหละมันก็ทําให้โกรธทําให้เศร้ามากขึ้นแต่พอเรามีสติ รู้เนื้อรู้ตัวนะให้ความหลงมันก็หายไปมันก็ไม่ปรุงให้ความโกรธเกิดขึ้นหรือถึงความโกรธจะยังมีอยู่มันก็ไม่ถึงกับขนาดหลงผิดนะเห็นกงจักเป็นดอกปัวรละเห็นผิดเป็นชอบเพาอใน น, นี้ถ้ารักตัวเองเนี่ยนะต้องหมันนะสร้างสติให้ให้เจริญ ง, งอกงามให้เข้มแข็งแล้วก็ใช้สติในการดูแลจิตใจ จิตใจเราก็จะได้ผ่องใสสดชื่นเบิกบานมีอะไรมากระทบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้จักปล่อยรู้จักวางหรือรักษาใจไม่ให้ทุกข์้จจะเสียก็เสียอย่างเดียวคือเสียของไม่เสียใจถ้าจะป่วยก็ป่วยอย่างเดียวคือป่วยกายใจไม่ป่วยเอาละชาินียวกัเท่านี้นะกระพร้าพร้อมกัน